ใต้ร่มโพธิญาณชีวประวัติพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโทอาจารย์พ่อเจ้าพระสว่างสงบ น้องป่าพงยงเยาอยู่รู้เจริญธรรมวารินชมราบพื้น รอยผ่านจิตเต้าตามรอยเชิดเป็นเหยื่อกิเลสรั้งจิตเฒ่าตามรอย 23 ตุลาคม 2535 ที่อตรุ 2535 หลวงพ่อรัตสังข์ฆานไปตามกฎธรรมชาติศิษย์ จากคําเทศนาของหลวงพ่อในแถบเสียงและ 2535 บทที่หนึ่งย้อนกระแส 1 ย้อนกระแสแลอดีตห่างจาก 5 กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านได้ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายนพุทธศักราช 2461 ท่านเป็น 5 ของพ่อมา 10 คนครอบครัวของท่านประกอบอาชีพเกษตรกรรมมี อันเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของชาวชนบท เณรรูปร่างอ้วนปลอมพุงปุ้ยและปากกว้างที่เชิดขึ้นเล็กน้อยเพื่อนๆจึงขนานงามทันว่าอึ้งน้องชายท่านเล่าถึงลักษณะและอุปนิสัยของพี่ชาย หลวงพ่อมีลักษณะของผู้นำมาตั้งแต่เด็กเมื่อเล่นกับเพื่อนๆชอบเป็นหัวหน้าแต่ก็เป็นผู้นำที่ปกป้องธรรมมาธิปไตยไม่นิยมความรุนแรงมีความเป็นกลางมักช่วยแก้ไขปัญหาขัดแย้งของเพื่อนๆเอกลักษณ์โดดเด่นอีกอย่างคือเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ชอบการโกหกมีนิสัยตรงไปตรงมารักความเป็นธรรมและเสียสละ เวลาเฉลี่ยแบ่งปันสิ่งของในหมู่เพื่อนมาขอส่วนแบ่งฉันเพลก็ตีละคังแกงๆให้เพื่อนๆที่เล่นเป็นยม ก็นำมาให้ฉันแล้วรับศีลครับพรท่านเล่าถึง จึงนำเด็กชายชาไปฝากฝังกับ โดยมีพระครูวิจิตร 2474 ขณะ 13 ปีเมื่อบรรพชาแล้วได้ศึกษาหลักสูตร 3 ปีก็ลาศึกษาบทออก เป็นเหตุให้ได้ศึกษาบท ที่ 2 บทเรียนชีวิตเมื่อลาศิขากลับมาอยู่บ้านนาย 3 ปีเกิดความซาบซึ้งในพระว่า ชีวิตแบบชาวบ้านนี้ไร้แก่นสารประมาณ 15-16 ปีเบื่อไม่อยากอยู่กับครอบครัวคิดอยากจะไปอยู่ แต่ก็มีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดมาเต็มณโลกต้องการฝากบทเรียนชีวิตที่แกพูดจะสละโลกแต จึงพากันแสวงหาของเล่นแบบ ญาติผู้ใหญ่ทางฝ่ายหญิงไม่มีใครรังเกียจเพราะเห็นว่า 19 ปีส่วนอายุ 17 และบวชทดแทนคุณพ่อโดยหารู้ไม่ว่าความผิดหวังถึงพันสาเมื่อ ปรึกเรื่องการแต่งงานของนางสาวจ่ายกับภรรยาตนเพราะเห็นว่านายชากับสาวจ่ายถึงจะแต่ต้องรอกัน นายชารู้สึกเสียใจมากแต่ในที่สุดก็ทําใจได้ไม่โกรธแค้นเขาทั้งสองเพราะรู้ว่าเขา ต้องระวังใจตัวเองมากแม้บวดเป็นพระแล้วใจตัวเองมากแม้บวชเป็นพระแล้วถ้าเห็น<อ> ถ้าเขาไม่แต่งงานกับแม่จ๋าเราก็คงไม่ ด้วยความรักและนับถือเสมือนพี่น้องต่อมา ตกดึกภรรยาของผู้ตายได้เข้ามานอนแอบ ฤกษ์ชมนึก บทที่หลังจากใช้ชีวิตทางโลกอยู่หลายปีใต้ร่มโพธิญาณหลัง 2482 ขณะ 21 ปีได้ตัดสินใจบอก มีคติว่าการบวชพระอัยุกชายเป็น mm hmm. 13 กุศลอันประเสริฐจริง 26 เมษายนพุทธศักราช 2482 นายชาได้เข้าสู่ร่มกาสาวะภัตเป็นพระภิกษุชามี ได้จำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดกอนอก 2 พรรษาๆเพื่อให้เป็นหนึ่งให้แก่ ก็เกิดศรัทธาขึ้นครั้งแรกก็เกิดวิตกถึงความเป็นอยู่ของทั้งหลายน่าตระหนักสังเวช ไม่รู้จะพูดให้ใครฟังเมื่อจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วอะไรก็ตื่นตามพบสิ่งต่างๆก็ตื่นอยู่เสมอเราสํานึกอยู่เสมอว่าเราได้รู้อย่างเวลานั้นก็มีธรรมะมีปีติอิ่ม กันเห็นที่ปวดพร้อมๆกันก็พากันศึกเรามองเห็นว่าเอไอ้พวกนี้ หลักมันบวดจ้ะศึกมันศึกง่ายพวกนี้บุญ ไม่มีใครอยู่ด้วยก็เอาหนังสือปฏิโมกมาท่องสบายไม่ไมไมไม 2 หรือ อยากกินตำส้มมะละกออยากกินนั่นกินนี่อยากกินทุกอย่างนั่นแหละน้ำลายนี่ไหลยืดเลยคนๆ รู้สึกนั้นได้ห่างด้วยกับปากคืออย่างนั้นมัน คนพูดอย่างนี้อย่ามานะพอดีเราโดนไม้ตะกรอดกรอบพูดอย่างกับว่า ทำให้เกิดความรู้สึกก่อนที่ผมจะปฏิบัติซึ้งศรัทธาในพุทธประวัติและบาง ผมไม่เลือกก็ไม่ประพฤติปฏิบัติเต็มที่นี่เป็นเพราะอะไรก็ความไม่รู้นั่นเอง ที่ 4 ภาษิตอีสานบ่ออกจากบ้านบ่หู่ฮ่อนทางเที่ยวบ่เฮียนวิชาฮ่อนสิมีความฮู้ซึ่ง จึงคิดสร้างราบฐานให้แก่ตนเองคิดสร้างรากฐานให้แก่ตนเอง 2484 หลวงพ่อจึง แต่เนื่องจากวัดนี้ยังไม่มีสำนักเรียนหลวงพ่อจึงต้องใช้วิธีเดินไปเรียนที่วัดโพตะซึ่งอยู่ไม่ไกลนักแล้วกลับมาพักที่วัดสวนสวรรค์วัดสวนสวรรค์ในสมัยนั้นมีกุฏิ 2 หลังและศาลาโรงธรรม 1 หลังมีภิกษุสามัญและศิษย์วัดพักดินไปหมด บรรยากาศและอาหารการกบฉันวัดจึงไม่สงบเท่าที่ควรและอาหาร 2485 หลวงพ่อได้เดิน 30 จังหวัดอุบลราชธานี แต่ระยะเพื่อนที่ไปด้วยออกความเห็นว่าเป็นฤดูแล้งอาหารการขบฉัน โดยมีพระ 2486 ได้กลับไปวัดบ้านหนองหลัก ได้รับสาระประโยชน์จากสำนักเรียนนี้มากหลังออกพรรษา หลวงพ่อจึงตัดสินใจหยุดพักการเรียนและการสอบนักทํามไว้แล้วรีดเดินทางกลับบ้านเพื่อดูแลและช่วยพยาบาลโยงพ่อเมื่อมาถึงบ้านได้พบเรือนร่างร่วโรยซีบเสียวของโยงพ่อนอนแน่นิ่งหายใจรวยริินอยู่บนที่นอนแม้ยาาติมิิดและหมอจะเยวยารักษาอย่างไรอาการป่วยใข่ของพ่อมาก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ทีท่าว่าร่างกายที่ถูกปีบครั้นด้วยความฉลาและพยาคินั้นจะคืนสูธรรมชาติ constituent Dois one dio. บทที่ 5 คำขอร้องของบิดานับตั้งแต่ลูกชาย ในครั้งสุดท้ายของการพบกันระหว่างพ่อลูกพ่อมาซึ่งนอนป่วยมา พ่อมายังห่วงเรื่องการเล่าเรียนนักธรรมของบุตร คงเหลือแต่พระคุณที่ฝังแน่น หลวงพ่อเดินทางกลับวัดบ้านหนองหลัก 2487 หลวงพ่อ นักศึกษาวกโดยละเอียดหลวงพ่อได้แยกคิดว่าระหว่างการประพฤติปฏิบัติของตนกับภิกษุในครั้งพุทธกาลนั้นช่างห่างไกลกัน อำเภอเดชอุดมได้ศึกษาหาแนวทางอยู่ระยะหนึ่งอุบลราชธานีจึงเดินทางไป แล้วจัดด้านการปฏิบัติธรรมต่อไป บทที่ 6 เริ่มต้น 2489 หลวงพ่อกับพระท่านทั้งสองได้จาริกธุดงค์จาก ถึงพอได้ยินถึงกิตติศัพท์ของหลวงพ่อเผาแห่งวัดเขาวงกตจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นครูอาจารย์ผู้ท่านมรณภาพไป ในพรรษานั้นได้มีโอกาสศึกษาข้อวัดปฏิบัติและ พระมหารูปนั้นก็นึกว่าหลวงพ่อเผาคงไม่รู้เรื่องหรือคง หลวงพ่อเฒ่าตอบมหาท่านรู้หรือเปล่าคนที่มาเมื่อตะกี้มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นจะชวนพระร่วมเดินทางด้วยนี่คุณจะไปรับปากกับเขาทําไมอืม เราเสียคนเหลือเกินนะหลวงพ่อเล่าต่ออีกว่าครั้งหนึ่งมีคนเอาเงินมาถวายหลวงพ่อเผาพอเขาเอา ต้องบอกเขาว่าโยมสิ่งนี้ไม่สมควรแก่พระต้องห้ามเขา มีความรู้แตกฉานเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติเป็นอย่าง แต่พอเสียงแล้วหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าคล้ายจึงถามขึ้นว่าย่ำเท้าหนักๆบนใบอ๋อท่านอาจารย์นั่น ท่านอาจารย์ไม่ควรลำบากถึงขนาดนี้เลยฝ่ายสองทาง ท่านคำนึงไม่ปล่อยให้ข้ามวันข้ามคืนรีบแก้ไขของผู้อื่นอย่างแท้ หลวงพ่อรำลึกเคยเห็นพระบางรูปครั้งยังเป็นแต่ยังไม่รู้จะไปหาที่ไหนอยู่พอจะใช้แทนกันได้วัดกอนอกเคยเห็นพระบาง ท่านแต่ยังไม่มีได้จะร้อยจึงใช้วิธีถือในมือเมื่อบริกรรมภาวนาจบบทหนึ่งคิดจนคบร้อยแปดครั้งร้อยเป็นพวงแต่ยังไม่ ดังนั้นนั้นการเผชิญหน้ากับสัญชาตญาณอันรุนแรงซึ่งเป็นสิ่ง มันอยากจะดูแทบตายไม่มองหน้าผู้หญิงตลอดพรรษาคิดว่า แต่ครั้งแรกก็ต้องห่างๆนอกจากนั้นหลวงพ่อยังเล่าๆพรรษายังไม่มากพอปฏิบัติ ก็นั่งภาวนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยเลยเกิดความ 6 7 พรรษาถึง 20 พรรษาโอ๊ยมันรบกันขนาดๆของ รวมทั้งได้ศึกษาพระวินัยจากๆเป็นหลักในการปฏิบัติและ บำเพ็ญจิตของตนอยู่เรื่อยไปไม่ได้สงสัยในอบัติทั้งไม่กล้าทําๆหมดตัวหนึ่งปลวกตัวหนึ่งถ้าจะให้เอามือไปบี้มันหรือหักจะให้ฆ่าโดยเจตนาถึงจะให้ หลวงพ่อไม่เคยออกเช่นศาลาโบสถ์กุฏิและอื่นๆอื่นๆก็ไม่กระทําใน ภรรยาในวัดหนองป่าคงจึงไม่มีเงินทองเป็น ได้ถ้าท่าน ที่ 7 หลวงปู่มั่นภูริทัตโตในระหว่างจำพรรษาที่วัดเขา มีความสนใจในการศึกษาตำรับตำราจึงปรารภเรื่องวิถีชีวิตกันระหว่างเพื่อนพระถวัลย์ตกลงใจจะไปเรียนปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯหลวงพ่อกับคณะพระภาคกลางรวมกัน 4 รูปจึงออกเดินทางย้อนกลับมาที่อุบลราชธานีพักอยู่ที่วัดกอนอกระยะหนึ่งแล้วจาริกธุดงค์มุ่งหน้าไปจังหวัดสกลนครระหว่างการเดินทางไปสำนักหลวงปู่มั่น ระแวะสนทนาและศึกษาการเดินทางครั้งนั้นสำนักต่างๆที่จาริกผ่าน ในที่สุดก็ถึงสำนักของหลวงปู่มั่นก้าวแรกที่ย่างเข้าสู่สำนักป่า หลวงปู่มั่นได้ปฏิสันถารสอบถามเกี่ยวกับอายุพรรษาและสำนักที่เคยได้ศึกษาปฏิบัติจากนั้นท่านก็ให้องค์วานและปรารภเรื่องนิกายทั้ง 2 คือซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงพ่อสงสัยอยู่มากหลวงปู่มั่นกล่าวว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นหากถือเอาพระธรรมวินัยเป็นหลักแล้วก็ไม่ต้องสงสัยในนิกายทั้ง 2 เมื่อคลายความสงสัยในเรื่องนิกายแล้ว หลวงพ่อได้กราบเรียนถามปัญหากับหลวงปู่มั่นซึ่งหลวงพ่อถ่ายทอดบทสนทนาของท่านกับหลวงปู่มั่นให้ศิษย์ฟังว่า "เก้า ด้วยความในศีลานิเทศสมาธินิเทศปัญญาๆหลวงท่านของนี้มันมากก็จริงศีลานิเทศ ก็คือสิ่งที่บันไดออกมาจากใจของคนเรานั่น <c oughs> มันก็เกิดขึ้นอะไรทั้งหมดที่ท่านศึกษาในหนังสือน่ะมันขึ้นอย่า คืนนั้นหลวงพ่อนั่งฟังธรรมร่วมกับศิษย์ของหลวงปู่มั่นจนกระทั่งถึง หลวงพ่อได้กราบลาหลวงปู่มั่นแล้วเดินเป็นประสบการณ์สําคัญที่นําวิถีชีวิตของหลวงพ่อเข้า จนได้มาแบ่งปันพวกท่าน 50 60 เงียบขนาดจะทาแก่นขนุนก็ยัง ไม่ได้ยินเสียงอะไรได้จึงเสียงอะไรนอกจากเสียงเท้าที่เดินเท่าประมาณ 10:00 น. หรือ 5:00 น. ก็ไปวิจัยไปพิจารณาเมื่อได้ฟังเทศท่านมันอิ่ม เพื่อนจนได้ย่องไปดูว่าใครท่านผู้นั้นเป็นใครจงกรมนั่นเพราะ บทที่ 8 ประสบการณ์ในป่าช้าหลังจากออกจากสำนักหลวงปู่มั่นๆในขณะนั้นไม่ ซึ่งเป็นสำนักของอาจารย์คำดีขณะนั้น ตั้งใจว่าคืนนี้จะมันโง่นักพูดในใจอย่างนี้ที่ป่าช้าพอจะไปจริงๆใจชักไม่อยากไปๆก็ไม่ยอมให้ พอค่ำลงเขาหามศพมาฝังพอดีอีกทำไมถึงหมดจบอย่าง พอตะวันตกดินตะวันตกดินใจหนึ่งก็บอกให้เข้าไปอยู่แต่ๆมุดเข้ากรดทันทีรู้ จมง่วงก็ไม่ง่วงมันๆภายในใจเราอยากให้มีแต่ หมาก็งับผิดงับถูกโยมชาวภูไทไม่รู้จักไล่หมาเขาว่าผีมันมากับพระ วินทบานกลับก็ฉันพอฉันเสร็จแตรออกมาบ้างรู้สึกอบอุ่นได้เดินจงกรมและพักที่คงๆชาวบ้านหามศพมา นั่งหันหลังให้กองไฟไม่คิดอยากนอนเลยตาตื่น นานประมาณครึ่งชั่วโมงเดินกลับมาอีกแล้วเหมือนคนเดินจริงนี่แหละมันมาถึงใกล้ๆก็หยุดกึกยืนนิ่งอยู่เงียบ มันแต่เกิดมาไม่เคยมีความกลัวเหมือนครั้งนี้เลยมันกลัวมากเปรียบเหมือนกับน้ําที่เราเทใส่โองเทใส่มากจึนมันเต็มมันก็ล้นออกมาความกลัวก็เหมือนกันมันกลัวมากจนหมดกลัวแล้วก็ล้นออกมาใจหนึ่งเลยถามว่าที่กลัวมากกลัวไม้นักมันกลัวอะไรกลัวตายอีกใจหนึ่งตะแล้วความตายมันอยู่ที่ไหนทําไมกลัวเขินบ้านเเคินเหเมือนของนักหาที่ตายดูซิมันอยู่ที่ไหนความตายอยู่กับตัวเอง อยู่กับตัวเองแล้วจะหนีไปไหนถึงจะพ้นมันล่ะ ความไม่กลัวมันกลับมาแทนในที่เดียวกันนี้โอ่ใจมัน 4 พอฝนหยุดเปียก นั่งร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มลงมาเพราะเกิดนึกไปว่าตัวเรานี่ทำไมเหมือนคนไม่มีพ่อไม่ ให้มันไหลออกมาให้หมดอย่าให้มันมีอยู่เมื่อคิดได้อย่างนี้เมื่อชนะความ ความความรู้สึกต่อมาเป็นอย่างไรที่มันหายไปความรู้สึกต่อมาเป็นอย่าง ขาดก็ขาดตายก็ตายไปสิตายเพราะปฏิบัติอย่างนี้ หลังคืนสยองผ่านไปโดยไม่จะเกิดขึ้นตรงนั้นว่าอคันตุกะ เมื่อหลวงพ่อพักบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ป่าช้า 7 วันก็มีอาการ 10 วันอาการก็ทุเลาลงแม้ได้ ก็กราบกราบท่านอาจารย์คําดีเดินทางมาพักอยู่ในป่าใกล้ ที่นางแสดงออกนางแสดงออกซึ่งสอสังเกตเห็นใจตัวเองความรู้สึกอันแล้ว ประขาวแค่วสะดุ่งตื่นรุกขยีตาถามอย่างงวงเฮียว่าไปครุ่งนี้ไม่ได้หรือครับไม่จะไปเดียวนี้แหละหลวงพอตอบยังเด็ดขาดรอติดทรองดีแล้วว่าถ้าไม่หนีคือนี้คงจะเสียทีแกนางแน่หลายปีต่อมาหลังจากหลวงพอมาอยู่วันน้องปักตัวแม้วครั้งหนึ่ง ท่านได้ไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่สำนักสาขาแถวนี่ล่ะซึ่งแปลว่าการปฏิบัติของอาตมามันยากหลายอย่างแต่ที่ยากกับมันจริงๆก็ กาวหลวงปู่กินนรีลบลีกออกจากบ้านต้องในคืนนั้น ในช่วงเวลาที่หมอตกาลลีกเร้น 2490 ซึ่งเป็นวันสาที่ 9 ชอบใช้ชีวิตตัวเดียวมันคงมีข้อปฏิบัติมักน้อยสันโดษ หลวงปู่ก็ยังรักษาปฏิปทานี้ไว้อย่างมั่นคงหลวง คิดว่าครูบาอาจารย์จะไปถึงไหนกันเดินจงกรมก็ไม่เดินนั่งสมาธินานๆก็ไม่เคยนั่งคอยแต่จะทํานั่นทํานี่ตลอดวันแต่เรานี่ปฏิบัติไม่อยู่เลยถึงขนาดนั้น ความคิดของครูบาอาจารย์กว้างไกลเกินปัญญาของเราไปไหนไหนตัว ภูมัยพ speak. ภูมัยพา 건강ت Marcelo เย็บผ้า token ชั้นเก็บ conv, pverb is a จะไปทําอันนั้นอีกถ้าอันนั้นเสร็จท่านจะทําอะไรอีกผมจะทําอย่างอื่นอีกเมื่ออย่างอื่นของท่านท่านจะไปทําอะไร คำพูดสั้นๆแต่มีความหมายและเจือความปรารถนาดีของหลวงปู่ทําให้หลวงพ่อหูเรานึกว่าทํา พอดีมีคนเอาผ้าใยดิบเนื้อหนามาถวายหลวง แต่เราก็ไม่เคยบนเราก็ไม่เคยบ่นได้อาศัยภาพนั้นมาเรื่อยแต <ๆ. S 2> ขณะหลวงพ่อภาวนาอยู่ตามลําพังอารมณ์แห่งๆก็ไม่สามารถกำราบเกรงมา หลวงพ่อเปรียบเทียบว่าจิตใจทุกขิเนี่ยจังดีอย่างนั้นพอพอกับในวันนั้นหลวงพ่อจึงบาก คือหนึ่งในภาษานั้นยังทําความพยายามเต็มที่ชายเราขอ ในนิมิตนั้นปรากฏว่าตนได้ลุกขึ้นนั่งพร้อม พ.ศ. 2491 หลวงพ่อจึงได้กราบราครูบาอาจารย์จาริตต่อไป บทที่ 10 ภายในป่าใหญ่การจาริกทุรดงของหลวงพ่อในช่วงนั้นการจาริกทุรดงของหลวงพ่อในช่วงนั้นมีพระเลื่อมเป็นเพื่อนร่วมทางวันหนึ่งท่านทั้งสองหยุดพักอยู่ในป่าข้างหมู่บ้านได้มีเด็ก 2 คนมาช่วยอุปถัมภ์รับใช้ ซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ขัดข้องเมื่อเด็กได้รับความยินยอมจาก เวลาบุกป่าฝ่าน้ําขาเกี่ยวกันล้มลุกคุคลานแต่ แต่เพราะขาดคุณธรรมที่ใจพิการเพราะขาดคุณธรรมย่อมนำความเดือดร้อนมาสังเกต นึกถึงคำพูดของคนโบราณว่าเข้าป่าอย่านอนขวางทาง แต่งแต้มสีสันบรรยากาศของป่ายามราตรีให้วิเวกวังเวงยิ่งนักค่ำคืน กำหนดสติดูลมหายใจแล้วหลับตาลงชั่วขณะหนึ่งจิตหนึ่งคิด แม้ไม่ถูกเสื้อกัดตาย blek t t ชีวิตจะมีความหมายเราขอยอมเป็นอาหารของเสือหากหากเราเคย Hamylues tasteんとร grassroots ให้หมดกันไปแต่หากจะไม่เคยเปลือคู่เวรคู่กรรม เมื่อคิดได้เช่นนี้จิตใจเบาสบายขึ้นๆสักครู่หนึ่งเสือก็จะไปการใช้ รวมทั้งความบริสุทธิ์เมื่อเราทอดอะไรในชีวิตย่อมฟันฝ่าอุปสรรคในป่า ภายภายในจากๆในปีพุทธศักราช 2491 นั้นหลวงพ่อกับคณะคือพระเล่มหลวง นำมาซึ่งความเนิ่นช้าในการปฏิบัติและยังรู้สึกผิดอัดรำคาญหมู่คณะจิตใจจึงวุ่นวายคิดอยากปลีกตัวไปตามลำพังหลวงพ่อได้ตกลงแยกทางกับพระ การแยกจากหมู่คณะในระยะแรกๆรู้สึกเป็นอิสระ จึงหยุดเดินแล้วนั่งสมาธิอย่างเดียวใช้ความอดทนรับรับความ เสพภาวะความคิดก็เย็นกันเองว่าเอตัวแกนี่สําคัญนะเบื่อเพื่อนมาแล้วยังอยากได้เพื่อนมาทําไมอีกเล่าเบื่อ คนดีอยู่ที่ตัวเราถ้าเราดีไปไหนมันก็ดีเขาจะนินทาสนับสนุนจะว่าอะไรทําอะไรเราก็ยังดีอยู่แต่ถ้าเราไม่ดีเขานินทาเราก็จะโกรธถ้าเขาสนับสนุนเราก็ยิน เราย่อมรู้จักตัวเรา 11 ที่สุดแห่ง และได้ถือเอาความรู้นั้นเป็นคติสอนใจตลอดมาหลวง จึงได้พักอยู่ที่นั่นได้รับความสงบระงับดีมาก มันเป็นของมันเองเป็นของมันเองพอนั่งลงแล้วจิตมันก็สงบ ก็จะได้ยินเสียงถ้าว่างคงเงียบถ้ามีเสียงขึ้น เมื่อเอียงกายลงจิตยังสงบอยู่เหมือนเดิมพอทิศาถึงหมอนมีอาการน้อมเข้าไปในใจคล้ายกับมีสายไฟอันหนึ่งไปถูก จนถึงปกติธรรมดาที่ว่าถอยออกมานี้ไม่ใช่ว่าเราจะให้ถอยมันเป็น ครั้งที่ 2 นี้ร่างกายแตกละเอียดหมดแล้วหลุดเข้าไป ครั้งที่ 3 นี้โลกแตกละเอียดหมดทั้งพื้น เราไม่ต้องการทำแบบนี้มีศรัทธาก็ทำเข้าๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันเมื่อถ้าคนอื่นเห็นอาจๆถ้าผู้ควบคุมสติ แปลกไปหมดทุกอย่างความนึกคิดทั้งหลายทั้งโกรธก็เช่นกันเขาคิดไป ว่าสิ่งไหนไม่ดีไหนเรียกว่าปัญญาสิ่ง บทที่ 12 ทุกข์เพราะคิดผิดวันคืนที่วัดร้างบ้านโคกยาวผ่าน 19 วันการบำเพ็ญเพียรทางจิตได้รับผล ระหว่างทางได้พบปะชาวบ้านบางแห่งมีผู้มาแต่ ได้ย้อนกลับมาที่อำเภอสีสงครามอีกครั้งขณะพักอยู่ จึงเกิดความอยากได้ของใหม่จนใจกระวนกระวายท่านเล่าถึงประสบการณ์ในครั้งนั้นว่าตอนไป ฟ้าบาดก็ไม่มีนึกขึ้นได้สมัยเป็นเด็กไปเลี้ยงกับดิบใส่ข้าวเหนียวเวลาไปบิณฑบาตมองดูฟ้าบาดตัวเองก็รู้สึกขวางหูขวางตา ฟรานเคลินสารไปสารมาใต้คิดใต้ตกใส่มืออยู่ในป่าคนเดียวสานไปสานมามือไปเอนี่เรากําลังทําอะไร จึงพักมานั่งสมาธินั่งก็คิดอีกพอเข้มไป นี่เลยเลือกทําแบบนั้นมาทําเป็นเวลาทําๆที่ผ่านพบเพื่อ งานอะไรก็ตามถ้าเราทําไม่เสร็จทิ้งเอาไว้แล้วมาทําสมาธิใจมันก็ไปติดอยู่ ไม่ต้องมาคอยเป็นห่วงต้องมาคอยเป็นห่วงคิดอย่างนั้นก็ถูกอยู่เหมือนกันแต่ถ้าคิดให้ๆมันไม่ถูกเพราะไม่มีอะไรจะรู้จบ ฝึกก็ได้ว่าถึงเวลาวางก็ให้มันวางให้มันจนกระทั่งทัก บทที่ 13 หลวงตาใกล้ฤดูเข้าพรรษาหลวงพ่อ ตระหนักถึงภูมิจิตของตัวเองว่าผมหมดความ ไม่รู้ต้นสายไพรเหตุว่าจะมาดีหรือ แม้จะได้ร่วมจำพรรษาในสำนัก ท่านกลับพิจารณาน้อมอัปประโยคจากข้อกิจการนั้นโดยให้ ครูหลวงพ่อวางความรู้สึกนึกคิดไว้ถูก ไม่ๆโต้ตอบกราบขิดขอบคุณเขาว่าเขาช่วยไม่ให้ จะรับปะเคมแล้ววามไว้ข้างๆจึงถามว่าท่านชาไม่ฉันเข้ามากหรือทำไมละไม่ฉันครับผมว่ากลินและรถมันไม่เหมาะเก็บพราดเท่าไหร่โรงตาได้ฟังกว้นหาเสียฉันอาหารเทพแห่วงรถอยู่ต่อมาวัน 1 ในกลามพันสาโรงตาพาประเนิน<ไม> หลวงพ่อทำหน้าที่ขนลงเรือขณะจัดเรียงฟืนหลวงพ่อสังเกตเห็นไม้ประยงท่อนหนึ่งมีรอยขากเป็นสงกรมยาวประมาณ 2 เมตรท่านคิดว่าไม้ท่อนนี้ต้องมีเจ้าของแน่หากขนลงเรืออาจมีความผิดเป็นการลักทรัพย์ทำให้ข้าจัดการเป็นขลาดได้จึงไม่ยอมแตะต้องพอได้เวลาจนกลับหลวงตาเดินมาถึงเห็นไม้ท่อนนั้นถูกทิ้งอยู่รืนตลิ่งจึงร้องถามว่าท่านชาทำไมไม่ขนไม้ท่อนนี้ลงเรือ เห็นว่าไม่เหมาะครับมันคงมีเจ้าของคง หลังจากนั้นหลายวันชาวบ้านมาเผาเข้าหลามข้างโรงครัวที่อยู่ไม่ใกลจากกุติหลงพ่อหลงพ่อกลับจากบินรมาาตรก็ขึ้นกุตินั่งพักทอนสักครู่หนึ่งเห็นลงตาเดินผ่านไปทางโรงครัวขณะนั้นไฟลูกไม่กระบอกเข้าลามจนเกลี่ยมเพ่อไม่มีใครคอยพลริกกับลงงตามองซ้าให้มองขวาเนึกว่าไม่มีใครเห็นจึงพลิกกระบอกเข้าลามเสเองหลงพ่อนั่งอยู่ที่หน้าต่างจึงเห็นการกระทํานั้นครั้นถึงเวลาฉัน ชบานำข้าวรามมาถวายพระเนินฉันกันหมดแต่หลวงพ่อรับแล้ววางไว้เฉยๆน้ำตาฉันไปได้สักพักก็เหลือบตาสำรวจ ถ้าจับอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนถ้าของ แต่หลวงพ่อพูดว่าไม่ต้องก็ได้ครับให้พยายามและนึกนิยมในอัธยาศัยของหลวงพ่อมากขึ้นทั้งที่พวกตนพยายามกีดกันรังเกียจด้วยความไม่ไว้ใจแต่พระอคันตุฆะรูปนี้กลับหนักแน่นและใจสูงยิ่งนักจึงตกลงกันว่าให้เลิกล้มกติกากีดกันนั้นแต่หลวงพ่อตอบด้วย ก็เพื่อความสงบเรียบร้อยต่อไปต่อจากนั้นตามกติกาเดิมที่ตั้งไว้ดีกว่าเพื่อๆ พายุฝนพัดกระหน่ำติดต่อกันหลายวันท้องทุ่ง จึงให้พระเนินมาออกไปบ่อยๆเจ้าวัวน่าสงสารตัวนั้นถูกไร้ต้นออกไปแล้วด้วยความหิว คือความสุขจาก จะทำในป่าช้ากลางป่าช้าข้างวัดหลวงตาๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ท่ากลางหุ้มฝังศพที่ ถูกความแก่ชราต้นไปถูกความเจ็บๆแล้วส่งเสียงร้องกากาหลวง แล้วร้องกากาแสดงอาการเหมือนจะส่งญ่าให้หลวงพ่อแลแล 3 วันชาวบ้านได้ 3-4 วันต่อ ครั้งแรกก็บินขึ้นไม้เมื่อเห็นหลวงพ่อไม่ๆก็ครคร 3 วัน แล้วไม่กี่วันพี่สาวของเด็กชายทั้ง 2 ที่ตายแต่ก่อนหน้านั้นมีอันต้องป่วยตายไปอีกคนทุกข์แดดใดในโลกดูเหมือนจะถล่มทับลงมาที่พ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นทั้งหมดเพราะช่วงเวลาเพียงสองอาทิตย์ต้องสูญเสียลูกๆที่รักดั่งแก้วตาดวงใจไปถึง 3 คนจึงต่างร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้าอาลัย แต่พิจารณาเห็นว่านำเหตุการณ์นั้นมาเตือนตนมิให้ประมาทพิจารณา พบคนแก่นอนป่วยร้องครวญครางปานจะขาดใจหลวงพ่อหยุดพิจารณา ภาพนั้นยังติดตาติดใจไม่เลือนรางรู้สึก เมื่อเดินซ้ำเข้าไปหลายๆครั้งพอตกถึงกระเพาะก็ไหลออกมาทันทีเมื่อคิดว่า ต่อมาได้นึกถึงอปันนะกะปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ เมื่อน้อมใจไปถึงทางดําเนินนี้จึงอยู่ แต่ตั้งสำนักทาง ที่สิบห้าหลงทางหลงทางต้นปีพุทธศักราช 2492 หลังจากหลวงตาและคณะลาทิ้งสำนัก หลวงพ่อฟื้นความหลังให้ลูกศิษย์ฟังว่าขณะนั้นคิดว่าใครหนอจะช่วยเราได้ก็นึกถึงอาจารย์วังท่านอยู่ที่พูลังกาก็ มีที่นี่เกรนเหมาะแก่การภาวนามากคืนหนึ่งหลังเสร็จขึ้นมากราบอาจารย์ครั้งนี้ก็ผมจนปัญญาแล้วพระภิกษุกล่าวว่าเราเดินไปบนสะพานที่ทอดยาวไปในแม่น้ําเราเดินไปแล้วก็หยุด พอหันเดินกลับมาบางทีก็เดินเข้าไปอีกนี่ไม่มีที่ ให้มันจะแก้สัญญามันจะเปลี่ยนเองตรงนั้นมันจะแก้สัญญามันจะเปลี่ยนเองไม่ต้องไปบังคับมันเลย ก็เลยไปเล่นอย่างอื่นนี่มันเปลี่ยนอย่างนี้ท่านอาจารย์วังเสริม กำหนดอยู่อย่างนี้ให้มีรากฐานอย่าไปวิ่งตาม เหมือนบอกทางแก่คนหลงทางหลังจากสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์วังหลวงพ่อเกิด จิตพิจารณาเรื่องทานและสมมุติบัญญัติอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อพัก ทุกๆอย่างเปลี่ยนสภาพไปหมดต่างกันเรากับหน้าท่านอาจารย์วัง แต่บางคนอาจจะวกวนไปมาจนช้าถ้ามีใครชี้บอกทางให้มันไป หลวงพ่อกราบเรียนหลวงปู่ว่ากระผมตั้งใจจะทุรงกลับไปทางบ้านที่อุบลครับจะกลับบ้านพอคิดถึง ต่อมาหลวงพ่อ บทที่ 16 เพื่อนเก่าออกจากวัดป่าหนองหีหลวงพ่อเดินๆแก่พวก นําไปปฏิบัติตามพอสมควรพักอยู่ที่บ้านป่าตาเด 2 เดือนได้อําลาชาวบ้านออกแสวงหาความเพื่อเยี่ยมเยือนโยมมารดาและญาติ พอฝึกหัดอีกทั้ง 2 ให้รู้จักวิธีการบวชพอสมควรแล้วหลวงพ่อ แต่การพบกันในครั้งนี้เพื่อนสนิทคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าจึง ถ้าอาตมาจะตอบว่าไม่หลวงพ่อคงจะรุ่นเรืองแต่ครั้งต่อไปมันอยาก แต่คงเป็นเพราะความรอบข้อซึ่งเป็นลักษณะของคนมีปัญญามากกว่าท่าน 15 วันและให้ข้อคิดและ 2492 ซึ่ง 11 ของหลวง ท่านจาริกไปถึงบ้านสวนกล้วย 27 อยุธยาต้น 2493 หลวงพ่อได้รับจดหมายจากพระ 7 วันจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2493 ถึง 2494 ซึ่ง 12 และ 13 หลวงพ่อได้จำพรรษาอยู่ 2 ท่านคือพระอาจารย์ฉลวยและหลวง ก็เป็นก็กําฤกสังโฆและรับความทุกข์มานานจึง แล้วเริ่มอดอาหารดื่มเพียงน้ำเปล่า หลวงพ่อได้พิจารณาอยู่จิตเกิดคิดว่าการฉันอาหารเป็นเรื่องยุ่งยากทั้งมีความรีเรื่องการปฏาหารแกคิดว่าการกดอาหารนั้นระวังให้ดีบางทีจะทำให้เราหลงได้เมื่อจิตมาคิดเช่นนี้เห็นเป็นเรื่องจาระแล้วคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นภาระ เร่งความเพียรอย่างหนักจึงขอร้องให้ฉันอาหารดังเดิมจากประสบการณ์ในครั้งนั้นวันโรคร้ายนั้นได้ ถ้าฉันมากอาจตายได้เพราะอาหารไม่ย่อยควรฉันลด ก็จึงระหว่างรอนแรมตัวเดียวอยู่ในป่าเอาเหตุการณ์ที่ได้เผชิญและ คิดถึงสภาพความลําบากๆแล้วสัตว์ป่าต่างๆมันป่วยเป็นที่ตามได้สัตว์ป่ามันไม่มี ไม่มีมรดกแต่ก็ยังมีลูกหลานสืบเผ่าพันใช่ใช่ถูกแล้วหลวงพ่อๆรุ่งเช้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อคงทําความเพียรภาวนา Thank mm -hmm. you. บท 18 คืนสู่อีสานจากอยุธยาหลวงพ่อเดินทางกลับมาที่ ท่านจึงแนะนําสิ่งใดทุกคนก็สนใจ แต่หลวงพ่อกลับนิ่งเฉยไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธทําให้พระภิกษุเถียนเกิดความลังเลและเช่นครูบาอาจารย์เอาถ้าๆ ให้ท่านทอมดีเขียนแผนที่บอกทางไปบ้านป่าดาวให้นะแล้วไปรอ ในปีนั้นหลวงพ่อจำนรรจ์ร่วมกับพระเนนประพฤติปฏิบัติฌานอุคลิกบางวันเดินจงกรมนั่งสมาธิกันตลอดวัน ไม่มีข้างขึ้นข้างแรมฉะนั้นก็มาสมมุติกันใหม่ให้กลางวันเป็นกลางคืนให้กลางคืนเป็นกลางวันก็ได้ถ้าเราคิดได้ว่ากลางวันหรือกลางคืนก็ไม่ พอที่เราลงบ้างครับหลวงพ่อนิ่งอยู่ชั่วครู่เออฉันอย่าพวกนี้ก็นานแล้วยังไม่เห็นว่ามัน ส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่ค่อนข้างยากจนแม้ รับน้อมเอาความยากไร้มา บางตัวเคลื่อนแรงดีก็ข้ามคันหินธรรมชาติที่กั้นเป็นขอบเพื่อ สิ้นตรนตุราอยู่หลายตัวจะช่วยมันแต่ก็จริงใจเพราะเป็นมี เมื่อพิจารณาธรรมจากปลาเดินแล้วก็ออกไปบิณฑบาตครั้นกลับมาถึงวัดชาวบ้านนําต้มยําปลามาถวายแต่พอดูว่าต้องเป็นปลานิเวศที่เห็นเมื่อเช้านี้แน่ๆแค่อาจเป็นตัวที่เราเคย และยังคิดยาวไกลไปกว่าหากเรายินดีฉันของเขาในวันนี้ต่อไปปราณแห่งน้ําจะถูกข้ามเมื่อพิจารณาได้ เจอถึงพูดว่าถ้าเป็นของของอย่างนี้คงอดไม่ได้แม่นับจักแต่นั้นชาวบ้านก็ไม่มารกกวนปลาในแอ่งน้ำนานแต่พวกเขายังถึงว่ามันเป็นปลาของวันที่ควรช่วยกันรักษาด้วยปีพุทธศักราณ 2496 ภันศาที่ 15 หลวงพ่อกับลูกสิต่อเป็นปีที่ 2 แต่ในพรรษาหลวงแต 3 กิโลเมตรตอนเช้าหลวงพ่อจะลงมาบิณฑบาตแล้ว พจลงมาร่วมสักกรรมพร้อมจากที่โวาสเจติและญาติโยนเมื่อระหว่างพรรษานั้นหลวงพ่อต้องประสบกับการเจ็มปวยอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นบททดสอบสําคัญที่ิท่านสาฟันมาด้วยความอดทนและปัญญาวันหนึ่งขณะทําความเปลียนอยู่บนปูก่อยท่านรู้สึกบวดฟันมากรวมทั้งเหนือกก็อักษีร่วงขึ้นทั้งข้างล่างและข้างบนจึงหยิบอาวว่านอยาสมุนไปมากผลกับน้ําแล้วฉันตามมีตามได้ แต่ความเจ็บปวดก็เพียงแค่ผู้เรารู้เล็กน้อยเท่านั้นที่หลวงพ่อจึงตั้งจิตพิจารณาว่าเรามี อาการเน่าเปื่อยจึงทุเลาและหายไปพออภินันท์หลวงพ่อลงมาพักที่วัดธรรมงคลแตแล้วให้คณะเนียตญาติกันไปภาวนาในบาตรตามลำพังโดยกำหนดให้ 7 วันมารวมกันที่วัดครั้งหนึ่งหลวงพ่อพาลูกศิษย์ประพฤติปฏิบัติกันเช่นนั้นจนกระทั่งถึงปลายเดือน 3 ของปีพุทธศักราช 2457 แม่พิมพ์มัณฑนาพร้อมด้วยพี่ชายลาภิชาย ได้เดินทางมานิมนต์พอให้กราบเป็นโตถ์ชาติโยมทางบ้านของท่านหลวงพ่อพิจารณาเห็นว่าถึงเวลาสมควรแล้วที่จะได้ให้ธรรมนั้นต่อแก่ผู้มีพระคุณจึงรับนิมนต์และแม้จะมีขยานุรณ์ต้องมาเตรียมก่อนจาก ของพ่อกับ บท 19 หนองยามบายของวันที่ 8 มีนาคมพุทธศักราช 2497 หลวงพ่อประมาณ 3 กิโลเมตรคืนแรกคณะพักที่ มีแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของ เพราะปรากฏอยู่เสมอว่าคนที่เข้าไปทําไร่ตัดไม้หรือล่าสัตว์เมื่อกลับออกมามักมีอันต้องล้มตายไป ญาติโยมพระหลวงพ่อเดินดุป่าฝ่าน้ําเข้าไปอย่างคืน หลังจากสนทนากันครู่หนึ่งหลวงพ่อสมควรมากเลยครับทุกคนตอบอย่างยินดีหลายวันต่อมาและญาติโยมว่าที่นี่สมควร โภ鏈ฟร trender developer Quéilk 2020, hazard 누리�rutur to see who created ailments from หลวงพให้ข้อคิดเรื่องการฉันเข้าประเปล่าแก่สีว่าชาวบ้านบางถิ่นให้ขวเหนียวก็เล็กๆแก่สุนกินในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแต่มันก็อยู่ได้ตื่นเร็วว่างไว้ไม่เขียดค้านผิดกับสุนขที่กินดีจะนอนที่เกียติทั้งวันพระกรรมฐานก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่ในถิ่นพันดาลอาหารขาดแพลนบ้ากจะเป็นผู้ขยันภาวนาไม่เห็นแก่หลักนอน คิดจักเห็นแก่กินแก่นอนอะไรก็ได้ดังกินน้อยพูดน้อยจะติดสุขเห็นแก่กิน อยู่ที่โรงป่าคงได้เดินกว่าแม่อย 3 คนมา ผู้คนเข้าวัดน้อยมากก็อยู่ในกิจการงานไม่มีใครรู้จักรวมทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่ เพราะอาหารของพระก็แทบจะไม่พอจะฉันๆแล้วแบ่ง ผาวันนั้นถือว่าโชคดีขนมด้วยวันนั้นถือว่าๆมาถวายและแบ่งน้ำพริกๆเช่นสบู่ผงซักฟอกรองเท้าเทียน แสงโคมไฟท่องทางเดินจงกรมบางๆแต่ไม่ปรากฏว่ามีใครใครสาธุด้วยอำนาจแห่งสุขิตาโหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขๆนะมีพระรูปหนึ่งมีธุระลง อาเนนรวมทั้งแม่ไม่มีใครยอมไปหาหมอป่วยเป็นไข้มาลาเรียกันแทบ เอาไว้เลยมันทุกข์ครั้งหนึ่งทะป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างหนักพอ พระรูปนั้นวิ่งไปบนใบไม้แห้งชนกิ่งไม้หักไปตลอดทางเกิดเสียงดังผิดปกติเป็นอะไรเออถูกแล้วคนป่วยต้อง ป่วยเป็นไข้มาลาเรียตายทุกทีอยู่ต่อมา หลวงพ่อลุกขึ้นยกไปโยกมาแล้วคว้าขันน้ํายาสมุนไพรที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นแรกได้อยู่ร่วมเคียงข้างหลวงพ่อมาห่วย มันก็บ่มีแล้วหลวงพ่อลากเออวันนี้ผม ผู้แล้วหลวงพ่อ 21 คําว่ากิจศักดิ์ของพระธุดงค์กรรมฐานในดงป่าพงเริ่มถูกข่าวขานในหมู่ชนทั่วไปทําให้มีผู้มาฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อมาก กระทั่งจะถูกตีดังก้องกลางวานรูปพระได้ อันจะเกริ่นด้วยเสียงต่างๆแล้วบอกอุบาสแก้ๆเช่น 03:00 น. ทำ 3 ครั้งจะถูกลงโทษด้วยวิธีต่างๆ เช่นให้กราบสงฆ์ในที่ประชุมทุกรูปเพื่อสารภาพผิดหลวง หลวงพ่อไปถึงที่ทํากิจก่อนเสมอท่านทํางานทุกอย่างเคียงบ่าเคียงไหลกับลูกศิษย์เริ่มจากตักน้ําใน พรุ่งขึ้นต้องถูกอบรมไม่ยอมให้กลับกุฏิถึงเวลาทํา ก่อนลงมือทําต้องกราบเรียนหลวงพ่อก่อนจะทําไปโดยพละการไม่ได้หากรู้ว่าใครทําอะไรผิดท่านไม่ เพราะเสียงจะไปรบกวนคนอื่นเสียมมารยาทนัก คิดจะเอารัดเอาเปลี่ยนผู้อื่นแล้วก็ผมว่าเรานี่ จะถูกรวมไว้ในเรือนคลังสงฆ์โดยหลวงๆจึงมาขอของใหม่ได้ส่วน การแจกอาหารเริ่มแจกจากพระเถระลงไป พระเนนทุกรูปแปลกใจที่เห็นหลวงพ่อลงจากอาสนะๆพอมาถึงบาตรของพระรูปนั้นท่านหยุด หลวงพ่อมีอุบายแยกคายสอนศิษย์บางคนผู้เรียบเรียบให้ฟัง รูป 1 ทราบสิ่งคำสอนเรื่องปล่อยวางมากจึงพยายามวางเฉยต่อทุกสิ่ง เพื่อสอดส่องการกระทําของศิษย์พระเนนมักทิ้งร่องรอยเอนี่ หลังคาตกลงมากองอยู่นี่ทำไมไม่ซ่อมแซมมันล่ะก็หลวงพ่อสอนให้ปล่อยวางไม่ใช่หรือครับผมก็เลยไม่สนใจมันพระรูปนั้นตอบแล้วนักสงสัยจึงเรียนถามท่านอีกว่าผมไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางถึงขนาดนี้ยังไม่ถูกหรือครับการปล่อยวางไม่ใช่เป็นอย่างนี้ที่ท่านทำนี่เรียกว่าปล่อยทิ้งเป็นลักษณะของคนไม่ แดดออกขยับมาทางนี้ทำไมต้องขยับหนีล่ะทำไมไม่ แต่ท่านไม่เพียงแต่สอนด้วยวาจาเท่านั้น ฉงนี้เพื่อการ 12 พ่อหนูหนูการที่หลวงพ่อมาพำนักในดงๆเกิดขึ้นเสมอ พอดีเรื่องนี้รู้ไปถึงพ่อหนู kwoi? ชั้นไม่แต่ก็ยังคิดและพูดโต้แย้งอยู่เสมอ sono 다른 พอดีเรื่องนี้รู้ไปถึงพอหนูพูดนิย Отр打บ layered on yra ทำไม่ดีอย่างนี้จะต้องไปถามดู ถ้าใช้ทางสะอาดสะอาดก็จะไม่ว่าอะไรก็ต้องเขียนป้ายติดไว้ว่าบ่อน้ํานี้สําหรับพระห้ามโยมใช้แต่อาตมาก็ตักใส่โอ่งไว้ให้ชาวบ้าน มีอะไรก็ให้พูดอย่างเปิดอกอะไรก็ให้พูดอย่างเปิดอกไม่ต้องเกรงใจจะได้รู้ เราจะต่อว่าให้สะสมเลยว่าพระกรรมฐานอะไร ถ้าเราจะเรียกมันว่าหมูก็ได้ควายคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างก็สมมุติเอากลับๆเสียเถอะ นี่มาอยู่อย่างทรมานตัวเองอย่างนี้ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรพ่อหนูสรุปแนวความคิดของตนแล้วถาม ถ้าโยมหนูไม่เชื่อว่าบาปมีจริงทำไมไม่ทดลองไปล่ะไปปล้นเอ้าจะให้ผมไปฆ่าเขาได้อย่างไร ไม่เห็นว่าจะเป็นบุญตรงไหนเลยเห็นว่าจะเป็นบุญตรงไหนเลยโยมหนูจะคิด ไอ้เรื่องน่ะเรื่องบนนี้ผมคิดจนปวดศีรษะมานานแล้วจะเชื่อก็ยังไม่แน่ใจไปถามพระรูปไหนก็พูดให้ผมเข้าใจไม่ได้แต่ที่หลวงพ่ออ้างเหตุผลมานี่ผมก็พอจะรับฟังได้บ้างแต่ถ้าบาปบุญไม่มีจริงหลวงพ่อจะให้ผม ย่อมมาบำเพ็ญบุญจริงๆจึงจะรู้ได้ว่าบาป ถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศจริงๆหลวงพ่อก็เป็นๆก็ขอให้ตั้งใจฟังใช่มั้ยใช่ ถ้าไม่เชื่อคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่ไหมเคยตัดไม้ปิดหรือเปล่าเคย จึงขอคำแนะนำว่าผมควรประพฤตนอย่างไรดีอย่าเป็นคนคิดสงสัยมากและอย่าพูดมากด้วยหลวง ไม่มีทางคัดค้านได้เลยทางคัดค้านได้เลยต่อมาพ่อหนู ที่หลวงพ่อต้องใช้ความอดทนและปัญญารวมทั้งใช้ ปรากฏขึ้นหลวงพ่อบอกกับโยมคนเออให้ผู้หญิงกอดสติก็ดีๆเงียบหาย จะจะอายจึงใช้พิธีแอบขโมยหลวงพ่อใช้อุบายจับตัวขโมยมาได้แล้วอบรมสั่งสอนคราวหลังอย่าทําเช่นนี้อีก ขอด้วยตัวเจ้าของหลวงพ่อเชิญเข้ามาที่วัดแล้วชี้แจงเหตุผลให้ฟังที่วัดของเรามีกระรอกกระแตมีไก่ป่าและสัตว์หลายอย่างอาตมาอยากสงวนเอาไว้เพื่อลูกหลานเขาจะได้ดูได้เห็นบ้างถ้าไม่ทําอย่างนั้นมันก็จะสูญ และมาช่วยกันรักษาสัตว์ป่าเอาไว้มาในสมัยนั้นกันรักษาศรัทธาแต่ท่านไม่โต้ตอบไว้ส่วนทางท่าน ต่อมา จนทั้งใกล้ไกลการหลั่งไหลมาตาม หลวงพ่อจันอินทวิโรและศิษย์อาวุโสออกไปๆตามลำดับสำหรับที่วัดหนองป่าพง 2500 หลวงพ่อจึงกําหนด จะช่วยควบคุมความเช่นการห้ามรับเงินทองและ หมอยาหมอดูธรรมวธุมงคลและอื่นๆเป็นต้นในยุคนั้นหลวงพ่อ บางครั้งหลวงพ่อจะพาสวนทางกิเลสเช่นฤดูร้อนที่ปิดประตูหน้าต่างศาลาแล้วท่านพาทําเช่นนี้ รวมทั้งเป็นการขัดขืนกิเลสไม่ให้ทําตามความอยาก จนกระทั่งในช่วงหลังๆท่านมีอายุมากขึ้นและต้องต้อนรับจาโจมเกิดตลอดทั้งวันท่านจึงร่วมประชุมตกลงกันยกข้อวัดให้หลวงเช่นตักน้ํากวาดลานวัดกับ โดยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของท่าน <ม. S 1> Come on. บทที่ 24 สิทธิ์ชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศปีพุทธศักราช 2510 ท่านอาจารย์สุเมโธได้ยินกิตติศัพท์ความ ท่านต้องทําตามระเบียบข้อวัดเหมือนที่พระเนินไทยเขา โยมอาหารขึ้นมาเต็มกำมือแล้วปบใส่ปาก ทุกเช้าเวลาหลวงพ่อกลับจากบิณฑบาตจะมีพระเนนหลาย สุเมโธยอมแล้วเหรอช้าวันนี้ผมกําลังกวาดใบไม้ที่ลานเดินมายังผมท่านยิ้มให้พร้อมกับพูดว่าวัดป่าคงทุกข์มากแล้วว่าทําไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้กลับไปคนดีพิจารณาได้สติว่าทุกข์ไม่ได้ แต่ต่อมาจาก 2513 ได้มีชาวอเมริกัน 2 คนเข้า 1 ปีทั้งคู่ก็ราสิกขา ส่วนอีกคนเป็นนักจิตวิทยาชอบวิพากษ์วิจารณ์ครูบาอาจารย์ต่างๆเป็นไว้แต่หลวงพ่อองค์เดียวที่เขาเคารพเทิดทูนมากหลังลาสิกขาบทเมื่อได้พบชาวต่างประเทศที่กําลังแสวงหาครูอาจารย์เขามักแนะนําให้มาพบหลวงพ่อทําให้ ต่างขึ้นที่เห็นพระฟรังปฏิบัติกรรมฐานเคร่งครัดอยู่เพียง น่ะมาอยู่ด้วยมาๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่ที่ที่เขาฟังมากนัก วันหนึ่งหนึ่งผมมีเรื่องขัดใจกับพระรูปหนึ่ง ผมรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากกับโอกาสที่หาได้ยากเช่นนั้นเพราะเราเป็นพระใหม่แต่ขณะที่กำลังถวายการนวดอยู่อย่างตั้งใจหลวงพ่อก็ตีเปี้ยงเข้าที่ยอดอกที่กำลังผ่องโตของผมจนล้มก้นกระแทกพื้นท่านดุใหญ่เลยว่าจิตใจไม่มั่นคงพอไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดหัดเครื่องเมื่อได้ตามปรารถนาก็ฟูฟ่องผมฟังท่านดุไปหลายอย่างแล้วก็ไม่โกรธและไม่เสียใจ รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของท่านที่ช่วยชี้กิเลสของเราไม่เช่นนั้นเราคงเป็นคนหลงอารมณ์ไปอีกนานนอกจากกิริยาวัดอันงดงาม ก็และความประทับใจก็เกิดขึ้นความประหลาดใจและความประทับใจก็เกิดขึ้นเมื่อ ผมเคยไปวัดหรือพอพระเนนเห็นพวกฝรั่งก็ปลี่เข้าหาก็มาพูดภาษาอังกฤษถามรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างถ้าเหมือนกับว่าพวกฝรั่งมีอะไรดีอย่างนั้นแต่ที่วัดน้องป่าคงค์บรรดาพระสงค์ญายมพระขาวแม่ชีไม่เห็นมีใครสนใจกับฝรั่งอย่างผมท่านั่งก็สํารวมเดินก็สํารวมมีกิิดอะไรต้องทําก็ทําไปถามก็เงยหน้ามาพูดด้วยไม่มีอาการตื่นเต้นอะไรเลย มีความรู้สึกว่าท่านเหล่านี้ต้องมีของดีแน่เกิดศรัทธาขึ้น 2518 จํานวนศิษย์ชาวต่างประเทศในราว 7-8 กิโลเมตรเพื่อ พ medication student ร beg surgeries พที่สอมทย์ไปเดีย семь Android Remove มี transformed ขอให้พิจารณาให้ดีอย่าตัดสินว่าผู้มาใหม่ไม่ดีอย่าไปว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีต้องใช้เวลาดูไปนานๆก่อนดูอุปนิสัยของเขาไปนานๆอย่าไปคิดว่าดีหรือไม่ดีเลยทันทีเพราะว่าทุกสิ่ง มีความสามารถพิเศษในการสื่อสารและแค่ปัญหาเกศิตได้อย่างดีเยี่ยมที่วัดน้องป่าพงและวัดปานานาชาติ จารึกสู่ตะวัน 2519 ปีพุทธศักราช 2519 ท่านอาจารย์สุเมโธเดินทางไป จึงเป็นคมผู้จัดตั้งคณะวิหารจะเกิด เพื่อนิมนต์หลวงพ่อไปเผยแผ่พุทธธรรมและ หลวงท่านเพื่อทดสอบในความอด 2520 หลวงพ่อได้ เล่ารวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆภารกิจรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆในระยะ 2 เดือน การปฏิญาณธรรมการรู้ธรรมการเห็นธรรมการปฏิบัติธรรมเหล่านี้นั้นเป็นว่าเมื่อเรายังไม่รู้ประเพณีคําพูดการกระทําของเขาทุกอย่างเราไม่ควรถือตัวใน คุณธรรมเป็นอย่างไรก็เป็นที่แปลกมากเพราะเรื่อง แต่ก็ได้ปรับกายวาจาใจให้เข้ากับเขาได้เป็นตาหูจมูกลิ้นกายส่วนใจนั้นปกติอยู่ตามเดิม เกิดอยู่ในสวนที่มี 2520 บินต่อถึงเมืองปากีสถานบินผ่านอิตาลีถึงลอนดอน ในวันที่ 6 ในขณะที่บินอยู่เครื่องบินได้ คณะนั้นเราก็ให้คิดว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ กระฉ่อนเครื่องบินได้ลดระดับลงมาถึงแผ่นดิน นี่เป็นสิ่งที่แปล 5 พฤษภาคม 2520 วันนี้ประมาณ 7:00 น. นเราได้นั่งอยู่ใน การที่มาบวชเจริญรอยตามพระพุทธองค์ ดังนั้นจึงมีความเห็นว่ากรุงลอนดอนแห่งนี้จัดเรียกได้ว่าเป็นปฏิรูปประเทศคือประเทศ ความสุขอยู่ในความทุกข์ความทุกข์อยู่ที่พฤษภาคม 2520 วันนี้เป็นอังกฤษ นะสามเณรจินทธัตโตซึ่งเป็นสัญชาติฝรั่งเศสพระโพธิญาณเถระเป็นหัวหน้าการออกบิณฑบาตวันแรก และเป็นเพราะเขามีความอายกันเป็นส่วนมากที่บินทบาได้ซึ่งเป็นความหมายของพระองค์นี้ยังไม่เคยมีแล 23 2520 ตอนเจนวนันเองได้ถูกถามปัญหาและตอบคําถามพวกเขาเป็นปัจจุบันหลายอย่างแต่เราก็ไม่จนในการตอบปัญหานั้นตามเคยมีผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งได้ที่ไหนและความรู้วิญญาณนั้นไปอยู่อย่างไรเราได้ตอบว่าปัญหานี้ ในขณะนั้นเรานั่งอยู่บนธรรมาสน์มีเทียน แล้วเราก็ถามเขาว่าแก้ปัญหาอย่างนี้พอ เพราะพระพุทธเจ้าตามควบคุมเราอยู่ทุกกัลยาบท ก็มีมาขึ้นต่อพุทธศาสนาแล้วมันจะไปไม่รอดทั้งนั้นความรู้สึกในเหตุการณ์ที่ได้ไปเมืองนอกคล้ายๆกับพญาลิงให้คนหยอกเล่นนั้น แต่ความมันร้องขึ้นมาแล้วคนฉะนั้นพระใบคือกรุงลอนดอนและฝรั่งเศส 15 กรกฎาคม 2520 เดิน ที่ 26 จาริกสู่ตะวันตกครั้งที่ 2 ในครั้งแรก ถึงนกก็ไม่มีทางจะรู้ได้บอกความจริงว่าอยู่ในน้ําเป็นอย่างไร 2520 หลวง BBC แห่ง มีซึ่งเขาเน้นว่าความอยู่ประโยคหนึ่งพุทธศักราช 2520 ชาวต่างประเทศได้เข้า ต่อ 2522 ทางมูลนิธิกิจการสงฆ์แห่งอังกฤษได้ติดต่อนิมนต์หลวงพ่อให้จาริก 30 เมษายนพุทธศักราช 2522 การ และหลวงพ่อยังได้ไปดูสถานที่ซึ่งมีคน ปัจจุบันนี้มีชื่อว่าวัดป่าจิตตวิเวกหลวงพ่อ หลวงพ่อเล่าถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งๆคนท่านศาสนาพุทธอยู่เมืองไทยแต่ทําไมใช่จริงยอม 100% เลยแต่ คนที่สอนสาษณาก็ไม่ให้ทำอย่างนั้นสาษณาก็ไม่ให้ทำอย่างนั้นแต่คนธรรรมไม่ใช่สาษณาทำ instand เขาไม่อยากตอบเหมือนกันเพราะขโมยก็เยอะเหมือนกันหลวงพ่อได้แนะนำหลักการปฏิบัติและสนทนาต่อปัญหาธรรมแก่ผู้สนใจ หลังจากคํานักอยู่ที่อเมริการะยะหนึ่งหลวงพ่อได้เดินทางย้อนกลับมาอังกฤษได้อยู่ดูแลการเคลื่อนย้ายสํานักจากที่เก่าคือวิหารแหมสติไปยังสํานักใหม่ที่มนทนสัก์เร็จตะวันตุกหลงพอใช้เวลาในการไปเผยแปลธรมครั้งนี้สองเดือนแล้วได้กลับสู่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายุนพุทธศราช 2522 การเดินทางไปประกาศสัจธรรมในต่างประเทศปัจจุบัน มีสำนักสาขาเช่นอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ ดอกบัว ปีพุทธศักราช 2520 หลวงพ่อมีอาการผิดปกติทางร่างกายเกิด พยายามอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกโอกาสเมื่อมีเวลาว่างก็ บางครั้งหลวงพ่อมีอาการสุขภาพแต่เมื่อลูก ปฏิบัติอย่างหักหืนแต่ร่างกายก็ทนทานมาก 2524 อาการอาพาธของหลวงพ่อทรุด ผลการตรวจของแพทย์พบว่าช่องภายในสมองมีขนาดโตผิดปกติเป็นโรคน้ําไขใสหลัง ต้องนั่งรถเข็นอาการต่าง 2525 จึงต้องนิมนต์ท่านเข้ารับ และสมองตายเป็นหย่อมๆรวมทั้งเป็นเบาหวานวัดหนองปากคงจึงตัด หลังจากได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเดือนเมื่อกลับถึงวัดหนองปลาคงได้ และทางโรงพยาบาลสวัสดิ์สิริประสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีได้จัดมิถุนายนวัน พระสงฆ์จากทุกสำนักสาขาทั้งในและต่าง และร่วมกันรักษาข้อวัดปฏิบัติของหลวงพ่อ ที่ตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตน หลังปีใหม่ปีใหม่พุทธศักราช 2535 ไปไม่กี่วันหลวงพ่อเกิดอาการ ครั้งนี้สุดวิสัย ที่ 28 ชาวมืดของวันครู 4:00 มกราคมพุทธศักราช 2535 หลวงพ่อกลับถึงกุฏิพยาบาลในวัด หมู่บรรพชิตที่พึ่งพิงร่มเงาวัดหนองป่าพง ที่ผ้าเสียงเครื่องตัวขึ้นหัวใจไฟฟ้าคลุมร่างให้หลวงพ่อและยังคง ฤทธิ์เดรัจฉานผู้อับอับเฉากระทำภูผาตาไม้ แต่ทว่าลมอุ่นจากภายในกายของหลวงพ่อกําลังอ่อนแรงลงทุก เราเกิดมาก็เก็บเอาความเจ็บความแก่ความตายมาพร้อมกันเช้ามืดของวันวันพฤหัสบดีที่มกราคม พุทธศักราช 2535 สิริอายุรวม 74 ปีหลวงพ่อจากไป